เคสที่ำำใใททใใ ด, ววดีวันนี้ก็เป็นเคสที่เก้ารเป็นเคสิ956 ลูกเกดในตระกูลคนไทยในจังหวัดที่ฟังแล้วขนหนาวจะลุกคืจังหวัดปัตตานีที่กําลังมีปัญหาผู้ก่อการร้ายในขณะนี้เรามีปัญหาค้างคาใจจะหาใครเชื่อไขปัญหาก็ไม่ได้นอกจากครูไม่ใหย่ขา <Hey. S 1> เป็นดังตะวันทํำใจคอยส่องทางสว่างให้แก่ลูกๆทุกคนลูกคอยบวชเนรสมณีมัชชิมรุ่นหนึ่งที่วัดประธามบกายตอนอยู่ม .4 ออ ม, มาจบมัธยม6แล้วลูกกเด็กกลับมาโบสถเป็นสมเด็อีกครั้งหนึ่งกับพระธรรมทายาทรุ่น23ปี2538ซึ่งเป็นพระที่ดับการศึกษารุ่นแรกของโลกซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตายลูกพระลูกในที่ดับการศึกษาได้ไปปฏิบัติธรรมจำพรรษาธิ่พาวัดนอกจากนี้ลูกยังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับครูไม่ใหญ่ในอาคารภาวนาและบนดอดจุเทพอีกด้วยช่างเป็นช่วงเวลาที่ลูกมีความสุขและอบอุ่นใจที่สุด อบอุ่นยังเลยและความสุขนั้นยังติดตรึงอยู่ในหัวใจมาจนถึงทุกวันนี้แหละ ค, ครับครบรบกหนดหนึ่งปีแล้วชุดพระธิดรอบการศึกษาจำเจ้าทังลาศิกขาตอนสัญญาที่ให้ว้กับผู้ปกครองแต่ลูกยังรักเพศสำนะจึงได้ขอไปอยู่ที่วัดสาขาในจังหวัดเชียงใหม่อู่ได้สองปีมายุครบบวชแล้วลูกก็ได้ไปบวชพระที่วัดจันทา ซึ่งยู่ใกล้กับสำนักสงถ้ำเขาชัยสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีหลงลุงคือพิชาของพ่อผคำนักอยู่ขณะที่ลูกบวชจนนั้นเองก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นวันที่ลูกบวชในตอนกลางคืนจะได้กลิ่นหอมของดอกมันลิหอมทั่วไปทั้งถ้ำเลยส่งหลงลุงเือนพ่อพิชาแล้วตัวลูกซึ่งบวชใหม่ก็ได้กลิ่นกันทุกคนเลย แล้วก็พ่อก็พูดว่ากลิ่นหอมมะลิอะไรอะฉุนจังมาจากไหนกันหลุงก็ตอบว่ามาจากข้างบนโน้นซึ่งข้างบนถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะทำให้ลูกเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าแถวนี้จะมีต้นมะลิขึ้นในอย่างไรต่อไปอวันหนึ่งลูกก็ได้ขึ้นไปสวดพุทธมนต์คนเดียวบนเนินถ้ำที่เงียบสงบสงัดอยู่ดีๆก็มีหินคล้ายๆเหล็กนํามาวางอยู่ข้างหน้า ลูกก็คิดว่าคงเป็นก้อนหินธรรมดาก็ไม่ได้สนใจอะไรจะได้ถือลงมาด้วยพอลงลงเห็นนั่นก็บอกว่าไปได้มาอย่างไรลูกก็บอกว่าสวดมนต์อยู่ดีๆก็มาอยู่ตรงหน้าเองลูกก็บอกว่าเดี๋ยวจะทิ้งนะท่านก็บอกว่าจะทิ้งเทวดาเขาเอามาให้หินก้อนเนี้มีอานุภาพแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มันหินธรรมดานะ ก็บอกไม่ธรรมดาของเทวดาให้รักษาไว้ให้ดีเ mm hmm. ป็นอย่างนั้นเราไม่งั้นอ่าเราจะเก็บไว้เองคือหลวงลงจะเก็บไว้แล้วก็หยิบหินของท่านออกมาให้ลูกดูเออมันก็ ค, คล้ายๆกันนะ mm hmm. แปลกดีครับลูกจึงเก็บรักษาเอาไว้ที่คล้ายๆหเหล็กต่อมาก็ได้ให้ผี่ชายไปลูกอยู่ปฏิบททัติธรรมในสวัรค์หนึ่งกลาสิขามาศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ พอจบลากลับมาทํางานที่เมืองไทยแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกาอย่างสม่ำเสมอต่อมาก็ได้มีครอบครัวอ้าวแล้วนึก็จะมาบวชแต่ลูกก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพราะลูกเองชอบการทําสมาธิและก็ชอบทั้งกายมีครอบครัวด้วยหลวงลุงสมัยพิชาของคุณพ่อทำงานนักอยู่ที่สํานักสงฆ์ถ้าเขาชัยสนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดยจามาสายอยู่รูปเดียวหลวงหลงฝึกสมาธิได้ดีในระดับหนึ่งท่านรู้เห็นอะไรต่างๆเหมือนอย่างกับท่านเห็นด้วยตาท่านถามลูกว่าหลวงพ่อของคุณใาสา่แว่นตาใช่ไหมอืม <c oughs> และยังพูดถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในถูกหมดทุกๆคน <c oughs> ถ้นได้เคยพบกับหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีจเจริญหลวงปู่พรกคนพระวิชาธรรมกาย แต่ไเดียวคุณหลวงปู่ท่านได้พูดว่าของท่านน้ามันช้าเอาของเราดีกว่าแล้วท่านก็สอนภาวนาให้หลวงลุงแต่หลวงลุงท่านก็ยังคงปฏิบัติตามวิธีของท่านหลวงลุงท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตคุณพ่อลู้ท่านเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีมีที่ดินจานวนมากท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ลูกบ้านทุกคนเคารพ ร, รักมากครับ เมื่อคุณพ่อองลูกเข้าสู่วัยรุ่นอายุประมาณ18ปดปีก็ได้เข้าเรื่องกับผู้ก่อการร้ายพกอกกคไปหลังลุงซึ่งเป็นพี่ชายพ่อก็ได้เข้าไปตามพ่อจากดวงผู้ร้ายให้มาบวชเป็นพระซึ่งพ่อก็ยอมมาบวชมาบวชแล้วก็ได้ศึกษาพระบารีได้รเรียนทำหกประโยคโอ้เป็นทั้งพกกคและพวกอกดผู้ก่อการร้ายและก็เป็นผู้ก่อการดีด้วย และยังศึกษาทางโลกไปด้วยจนได้วุฒิปริญญาตรีคุณพ่อบได้ประมาณสิบปีศาก็ลาศึกษาออกมาแล้วก็ได้แต่งงานกับคุณแม่อมืมีชื่อเป็นครูใหญ่อยู่ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ได้รับรบรรดกเป็นที่ดินจนํานวนมากจากปูคุณพ่อมาแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็มีลูกเดียวกันห้าคนลูกจะเป็นคนสุดท้อง ชีวิตคู่ของพ่อก็ไม่ได้ราบเรียบเหมือนถนนลาดยางหรือเหมือนรถบนถนนแต่เป็นเหมือนถนนลูกครังในชนบทที่คูดขระมาเป็นระยะระยะเพราะพ่อนี่ยมักมีปากเสียงรัะละตบตีกับแม่อยู่เป็นประจำตีกันจะฟกช้ำดำเขียวกันอยู่บ่อยๆและต่างก็ต่างผลัดกันงอนผัดกันง้ออย่างนี้เป็นประจำ <c oughs> เห็นย่นชินเลย งอนงามไม่งาช้างแต่อยู่งคนละข้างมีงวงขวางอยู่ในสุดก็ต้องแยกทางกันไปคนละที่คนละทางขณะที่พ่อแม่แยกทางกันนั้นลูกอายุได้ประมาณสิบขวบเมื่อแยกทางกันแล้วชีวิตของพ่อก็เริ่มลำบากมากขึ้นเพราะขายสมบัติกินยังกระทังหมดและเมื่อเกษียแล้วชีวิตของคุณพ่อยิ่งลำบากมากขึ้นเพราะสายเพียงเงินบำนาญในการเลี้ยงชีพเท่านั้น คุณพ่อตั้ ง, งเคร่ยร่อนไปเช่าบ้านอยู่ตามที่ต่างๆบ้านที่เช่าก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากสลัมชอบใช้ของเก่าและไม่สะอาดคุณพ่อตั้งดูแลตัวเองมาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งขณะนี้อายุ80ปีแล้วถึงชีวิตพ่อจะเป็นอย่างไรแต่ท่านก็นยังคงนั่งสมาธิเป็นปกติตามความเขยาใจงท่านในสมัยที่บวชเป็นพระ ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆพ่อจะพูดเสมอว่าท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะให้ไดในอนาคตพระองค์หนึ่งเหมือนหลวงลุงเลยคล้ายๆกับหลวงลุงพี่น้องคู่นี้ต่างปรารถนาพุทธภูมิคุณแม่ลูกเป็นลูกติดถูกแม่แท้ๆนำมาขายให้กับคุณยายซึ่งมีฐานะดีได้ช่วยรับเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรม อายุได้สิบห้าปีถ้าเป็แต่งเงินอายุยังน้อยอยู่เนาะแปลกดิแม่เป็นคนอารมณ์ร้ายน่าจากรบกับคุณพ่อแล้วแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ยังโดนแม่ทุบตีทํำร้ายจนตัวเขียวแม่คงชอบให้ลูกตัวเขียวๆเพราะปกติลูกตัวขาวๆคุณแม่ไม่สนับจนในลูกมีการศึกษาถึงขนาดจ้างลูก อ้าวลูกเอาเงินไปข อ, อย่างเดียวย่บไปเรียนหนังสือจ้างลูกมาให้เรียนหนังสือบางทีชอบจริงเนาะถ้าจะสนใจแต่ความสุขของตนเองไม่ค่อยได้สนใจลูกๆตอนที่ควรอ๋อพ่อถึงในปรีกวิเวกพาแม่แยกทางกับพ่อแล้วแม่ก็ได้ขายสมบัติจนหมดเงินที่จะจัดการสมบัติก็จำมาบรุบรลงบมเลอตัวเองแล้วหมดไปกับการเล่นหวยเป็นจานวนมาก ครัง้งเรเป็นเมินเมินในสมัยสิกบกว่าปีที่แล้ว oh. บางครั้งปล่อยเงินกู้เป็นแสนแสนแต่ก็ถูกโกง oh. ไม่ได้รับการใช้คืนระยะหลังมาแม่ก็มีอาการทางประสาทมาักจะคิดว่าจะมีคนมาขโ ม, มยของสภาว่อารมณ์จะขึ้นขลงลเห็นไหมเจ้ะเวลาวิบากกรรมส่งผลมันปุ๊บปับมาอเงี้ยเวลาโลกโลกไปเยี่ยมคุณแม่ที่ต่างในแยงวัดคุณแม่จะด่าด้ว ย, ยใช้คาไม่พึงประสงค์และทุบตีลูกๆด้วย แต่ถึงอย่างไรลูกก็ไม่ถือสาและก็ไม่โกรธต่อมน ล, ลูกก็เดินนำคุณแม่มาดูแลที่กรุงเทพแล้วคุณแม่มักจะพูดบ่อยๆฟาดโดนทําของใส่อินทพักหลังๆคุณแม่จะรู้สึกเกลียดคุณยายอย่างโกรธแรงโกรธทั้งเกลียดตัวลูกและพี่น้องด้วยก็จะไปถือสาท่านอาจาะย์ดูแลท่านให้ดีท ด, ด, ดเออีเป็นทางมาแห่งบุญของเราและเป็นหน้าที่ของเราด้วยแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วย ชีวิตของลูกๆมแม่กับพ่อแยกทางกัน ก, นกลับไปกันคนละที่คนละทางพี่ชายคนโตก็ได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพโดยมีพ่อคอยช่วยเหลือพอจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแต่กลับไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอย่างสะบักสะบอมทั้งดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนแล้วก็เธอเล่าใา้ฟจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนั้นกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ชีวิตก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม พิจารณาที่สองแิจารันที่สามชีวิตหลังจากที่พ่อแม่แยกทางตางก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกันแต่สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ส่วนวิชาคนที่สนี่ ส, สิมีชีวิตที่ลาบากที่สุด ม, มัจจบัิทยมหกจากตานยนิวัดก็เข้ามาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่าพระเจ้าหออยู่ในมหาวิทยาลัย แต่เงิที่ได้มาเรียนก็นไม่เพียงพอทั้งค่าเทอมค่าเช่าหอและค่ากินแต่ก็นับว่าเป็นความโชคดีที่ได้มารู้จักวัดปรมกายในขณะทเรียนอยู่อิจชาจึงได้หันหน้าเข้าหาวัดศึกษาธรรมะขณะที่เรียนอยู่ปีสองไดบทธรมทรมเท迦จรณีสามรุ่นดับการศึกษารุ่นแรกของโลกด้วยหลังจากลาศิกขาและชีวิตของวิชาก็ยังคงลุ่มลุ่มหล่นดอ น, นไม่มีใครส่งเัินให้เรียนแล้วเราทุกคนก็นลําบาก ในสุก็ได้ลาอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ตั้งหาเลี้ยงชีพตนเองจากการให้เจ้าวัตถุมงคลบ้างโอน่าสงสารอย่างเห็ไม่เจ้าว่าถ้าเราไม่ได้สร้างทานบารมีมา ก, ก็จะเป็นอย่างนี้นขายโทรศัพท์มือถือบ้างขายแอมเบบ้างขายสมบ้างไม่ทำหลายอาชีพแตก็ไม่ประสบความสําเร็จสักอย่างปัจจุบันก็ยังมีชีวิตที่ลำบากต้องเช่าบ้านอาหารก็อดอ ด, อดยา ก, ยาก แต่ก็ยังรักการบวชอยู่บวชบวึกสึก oh, oh, oh. อยู่ที่วัดนี่แหละห้าหครั้งแล้ว oh, oh. ไม่เป็นไรลูกยังไม่ถึงร0อยครั้ง oh, oh. ไม่เป็นไร oh, oh. เราทำสถิติ oh, oh. คนทวดเป็นแม่ของคุญยายคนทวดชอบเรียนคาถาคมทางสายขาวเ oh, oh. รียนไปเชื่อคนเจ็บผีเข้ารักษาโรคต่างๆด้วยคาถาคม ถึงข น, นาดคนอิสลามจุฑานั้นยังเคารพนับถือแล้วมาขอช่วยรักษาโรคซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถรักษา ห, หายได้คนทั้จะรักษาโดยกินมากแล้วทั้งกระถาเป่าหมากลงบนแผลเปื่อยของคนคนนั้นสักสาวันก็จะหายจนคนท่านั้นเรียกท่านว่าโตแวตนต่อมากุฎูก็ได้ดเสียชีวิตลงมาอยู่ได้เก้าสิบกว่าปีโอ้อายุท่านยืนนะใหญ่ทวดคนตาไม่ใช่เป็นกำ น, น, นันฐานนาดีแต่ชอบดื่มเหล้า มีภริยาสองคนคือคุณยายหลวงหนึ่งและคุณยายหลวงสอง <c oughs> ตาเสียชีวิตตอนอายุ61ปีอย่างกะตนหันโดยเป็นลม oh. และไปเสียชีวิตที่โรงัยาบาลคำ <c oughs> ถามคนทั่วคคนตาตายแล้วเป็นไหนบน ท, ที่กานทว่เชวยรักษาคนจะส่งบนทห่ท่านอย่างไรในประโลกได้บนที่โลกที่ไปให้หรือไม่ทำไมคุณแม่ถึงถูกแม่แท้ๆเอามาขายกับคุณยายตั้งแต่เด็กๆ ละบุญอะไรที่ถูกขายกับคนที่มีฐานะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีคุณแม่มักจะถามถึงแม่แท้แท้ท่านอยู่บ่อยๆแม่แท้แท้ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ครับถ้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนครับการมราเลยท้ายคุณแม่เป็นโรคประสาทมักเห็นวัตถุขมโมยของแล้วก็รู้สึกกระโดนทําของใส่ทําไมเมื่อแม่เริ่มมีอาการทางประสาทจะมีอาการเกรียดคุณย้นอย่างรุนแรง ถงกดาทอสาบแช่งนั่นด้านใ น, นคุณยาย ก, ก็ดูแลคุณแม่หมดลูกแท้ๆจนคุณยายน้อยใจคุณแม่มีโอกาสหายหรือไม่และลูกๆควรทาอย่างไรกับคุณแม่ดีครับแล้วการมะไรคุณพ่อจึงเกิดในครอบครัวที่มีฐานะได้รับมรดกมากแต่ภายหลังมรดกก็ไม่เหลือมีครอบครัวที่แตกแยกมีชีวิตที่ลำบากชอบใช้ของเก่าๆแล้วก็ไม่มีใครดูแลลวงลุงท่านได้สมาธิระดับไหนครับ จึงสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้หลวงลุงและคุณพ่อท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะมีโอกาเป็นไปได้หรือไม่ท่านสาร้างบารมีมาถึงระดับไหนแล้วครับและจะแนะนําอย่างไรให้หลวงลุงได้ไปวงบุญพิเศษครับทําไมลูกทั้ง5จึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันและแยกทางกันอยู่อุปกรรมได้ัญชาข้อที่หนึ่งจะมีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยคนพาน ชมอยู่กับอาบายยังมุกจะช่วยพิชายได้อย่างไรครับบุพกรรมใดพิชายคนที่สี่ที่ชวนลูกเข้าวัดจึงไม่จะทําอะไรก็ไม่สาเร็จไม่ว่าเรื่องการเรียนการเลี้ยงชีพและมีชีวิตที่ลำบากเขาควรำดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีชีวิตการสร้างบุญารมีที่มีโุกตอนบทเรื่องปแปลกแปลที่เกิดขึ้นกับลูกเช่นกลิ่นดอกมลิและมีเห็นก้อนแปลกนั้นคืออะไร เป็เรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องอัศจรรย์จะเกิดขึ้นจริ ง, รงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบุญ อ, อะไรที่ทําให้ตัวลูกแล้วพระธรรมทายาทได้รับการศึกษาแต่มีโการปฏริบัติทางกับระเด็กคนหลวงพ่อเป็นระยะเวลานานลูกเคยสร้างบา ร, รมีกับหมูค่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีอะไรที่จะต้องแก้ไขเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติทันที่ก้าวหน้าจะยิ่งไปบ้างไหมครับแล้วพิธีบวชรุ่นเดียวกันกับ กับลูกท่านทําบุญอะไรมาจึงได้รับหน้าที่ดูแลอบรมบุคลกากรรุ่นใหม่ถึง3มรุ่นและต่อมาได้มาดูแลงานเก็บรวบรวมรักษาและทำหนังสือเกี่ยวกับอวตารครูไมใ่ใหญ่ท่านทราบบารมีกระบอกคณะมาอย่างไรทําหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรจําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะ ลาบตาฝาเป็นตุเบตาเติ่งขึ้นมาถาทีแล้วก็นำมาไล่ฝันมิ็นิยายปารัม b รากันจ้าคุณทั่วตายแล้วก็เป็นวิทยาธร อ, อยูติป่าหิมพานได้บุญจากคนทวดช่วยรักษาคนได้วิชาวิทยาธรเดี๋ยวล่า บ, บุญที่ยติปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้าคนตาตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหาเถระขุมห้า ดรรเด็กกำเดิ่มโซราเป็นอาจินเห็นไหมจ๊ะไม่มีใครรับผิดชอบเลยนี่ผู้รุกริตก็ไม่ได้รับผิดชอบผู้จำหน่ายก็ไม่นี่โฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนคนทำบาปก็ไม่ได้รับผิดชอบแต่มีบุญที่ทำตามประเพณีต่างๆช่วยเหลือไว้ไม่ให้ไปมานารกกำลังโดยเจ้าหน้าที่กรองน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมาก ได้รับบนเทปติปไปให้แล้วก็ได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาจ้าคุณแม่ถูกแม่แท้ๆนำมาขายให้กับคณยายต่ึงเด็กๆพราะคำในอดีชาติหนึ่งยากจนมากด่าลูกของตัวเองไปขายกับคนที่มีฐานะแล้วกลัวลูกตัวเองจะลำบากอิบากรมนี้ระสงบนจ้าเป็นภาพในอดีตของท่านทุกข้ากับคนมีฐานะแลวได้รับการเล้งดูอย่างดีเพราะ กัลังกล่าวกลับได้เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติมาส่งผลด้วยจ้ะจึงมาอยู่กับคนที่มีฐานะเน่ยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีคุณแม่แต่ท่านคุณแม่ตายไปแล้วจ้ะตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหาดละคุมภาด้วยการดื่มโซรากำลังโดยเจตนากรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจ้ะไอทําบุอทิย์ไปให้ท่าน คุแม่เป็นโรคประสาทมักเห็นว่าถูกขโมยของและโดนของเพราะการดื่มสุราในอดีตมารว่งกับกรรมที่ผูกโครตทั้งในอดีตและปัจจุบันถึงเวลามาก็อารวาส ด, ด้วยนมารวมทรงให้ทหําเป็นโรคประสาทจ้ะเห็น ไ, ไ, ไหมดื่มสุราอีกแล้วเกลียุณยายอย่างกรุนแรงด่าทาคุนยายทั้งนั้นที่คุญยายเลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ นีม่มจะปัญหาของสังคมเกิดขึ้นแต่ผู้เลินผู้จำหน่ายน้ำเมาไม่รับผิดชอบรัฐบาลได้ภาษีหนึ่งแสนล้านแต่เสียค่าใช้จ่ายห้าแสนล้านในการที่จะมปแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดจากผลพว ง, งของการดื่มสุราเนี่ย ดาท้าวคุยายั้งแต่คุณยายเลี้ยงดูเหมือนลูกทแท้จนคุณยายน้อยใจเพราะกรรมเก่าวของคุณยายเคยเถียงพ่อแม่มาแนอดีและก็เป็นกรรมหมาของแม่ที่ทําดังนั้นด้วความโกรธลึกๆที่คุณยายไม่ยอมบอกเรื่องแม่แท้ๆของตนเองว่าเป็นใครจ้ะอาการนี้อาจรักษาให้พวเราได้ท่ฏายโลกโลกทุกคนสังสมบุญทุบุญทุงทานศีลภาวนาให้ ม, มากๆแทนท่าน ใส่ชื่อท่านเงนะแล้วในฐานจะให้เจอหมอดียาดีมารักษาคนแม่ให้หนักเป็นเบาให้เบาให้หายจ้ะคุณพ่อเกิดในครอบครัวที่มีฐานนะมีมรดกมากแต่ภายหลังมรดกก็หมดเพราะท่านสร้างบนไม่สม่ำเสมอเห็นไหมจ้ะและบางทีทำแล้วก็เสียดายภายหลังมั่งจึงทำให้ไม่มีบุญที่จะร่องรับสมบัติ อยู่ได้ให้มีเหตุให้สมบัติวิบัติไปจ้ะมีครอบครัวแตกละชอบใช้ของเก่าไม่มีใครดูแลมีชีวิตลำบากเพราะเหตุที่มีนิสัยใจร้อนติดมาข้ามชาติกับทำบุญกับแม่มาเพียงแค่นี้จึง ท, ทำให้ครอบครัวแตกแยกอีกถ้ามีกำลังทานแค่นี้และชอบทำบุญของเก่าใช้แล้วรวมทั้งไม่มีบุญสง่งเคราะห์ญาติบุส่งผลให้มีไม่มีใครมาดูแลลาบากจนแก หลุงลุงสามารถรู้เห็นสิ่งต่างได้เพราะความสว่างภายในที่เกิดจากสมาธิจิตที่บริสุทธิ์จ้าลุงลุงแล้วคุณภาพปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนั้นก็ยังอยู่ในระดับกลางๆทั้งสร้างบารมีอีกหลายอสงไขยกลับจ้าซึ่งยังอยู่ในระดับอนิจจตาโพธิสัตว์แต่หลุงลุงจะมีบารมีแก่กว่าของคุณพ่อจ้าส่วนการจะไปวงบนพิเศษนั้นก็ขึ้นอยู่ความปรารถนาของท่านจ้า ลูกทั้งห้าจมาเกิดในครอบครัวที่ต้องทะเละแตกแยกกันเพราะมีการแยอดิคล้ายคลึงกันคือมีครอบครัวมีลูกเต้าเดียกันแล้วก็อย่าร้างกันนี่มีความคิ้ากันอย่างนี้บางคนก็ไม่ได้อติดฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้เกิดในครน อ, อบครัวที่เป็นสมาติและครอบครัวที่ที่ดีบางคนก็ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันมาก่อน นี่ก็เป็นวิบากกรรมอย่างนี้เป็นต้นจ้ะและมารวมมาเกิดในที่เดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันพิชายคนหนึ่งมีชีวิตแวดล้อมโดยคนพาลจมอยู่กับอบายามุกพราะกรรคบคนพาลทั้งใ น, นอดีตและปัจจุบันทําให้มาอยู่ในวงจรนี้อีกจ้าตัวโลกก็ต่างเป็นการวิทย์พิชายโดยชีย้ใหเห็นโทษภัยจะกระเจาอบายมุกกระจายที่อดทนและเยือกเย็นจ้าพิชายคนที่4ี่ชวนลูกเขาวัดแต่มักทําอะไรไม่สําเร็จ ไม่ว่าเรื่องการเรียนการเลี้ยงชีพแล้วมีชีวิตลําบากเพราะสร้างทานบารมีมาน้อยในอดีตนั่นแนหะมาส่งผลจากตระหนี่บ้างหรือบางทีก็ไม่เด็ตระหนี่แต่ประมาทในการเนินชีวิตไม่สร้างบุญไม่สร้างทานบารมีบ้างแต่บางคนก็ไม่เด็ดตระหนี่นะแต่ไม่ทําก็ควรดําเนินชีวิตด้วยการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองให้ได้ ให้เขาอดทนขายาันฝึกฝนแก้ไขตัวเองอย่าท้อถอยแล้วมันสั่งสมบุญทุบุญได้มากๆแล้วนึกถึงบุญนี้บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้าตอนบวชมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเช่นกลิ่นดอกบุริมีหินก้อนแปลกนั้นก็เป็นกลิ่นดอกไม้ป่าอย่างที่หลงลุงนั้นบอกส่วนหินก้อนแปลกๆก็อย่าไปสนใจเลยไม่เกิดประโยชน์นันใดๆสูดธรรมะภายในและการสร้างบุญในตัวไม่ได้หรอกจ้า ตัวลูกลวงพ่อรมอัธาติดดับการศึกษามีโอกาสได้ไปฏิบัติธรรมญาานานร่วมกันนั้นกคได้บุญที่สร้างร่วมกับหมูคณะมาทุกคนจึงได้เด้งดือดให้มาอยู่ร่วมกันและได้สร้างบุญทุ ก, ททททกบุญร่วมกันอีกจ้ะแล้วก็ที่เคยมานั่งธรรมะกับครูไม่ใหญ่เนะี่ยอย่าลืมภาพนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย ที่สองเราจะได้อยู่ปฏิบัติธรรมร่วมงนเห็นไห ม, มจ๊ะเดี๋ยวนี้เรี้ยงอาหารอากาสอย่างนั้นไม่ได้แม้ครูไม่อยากก็หาโอากาสอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมีภารกิจมากมายเยอะแยะนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นึกถึงภาพเก่าๆในวันที่ดีเหล่านั้นแล้วก็ทำดีให้ยิ่งยิ่งเงินไปเพราะโอกาสอย่างนี้คนทั้งโลก ่าได้ยากจ้าตัวลูกเคยสร้างบารมีกหมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบีย ง, ยงอพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกจะเป็นกุลบุตรจะออกบวชช่วงสั้นกหมูคณะคละ้ายๆในชาตินี้โดยมีนิสัยดือ้อเป็นคนว่ายากคือมั่นใจในตัวเองสูงมีมณทิธิ อาจารย์ตักเตือนสิ่งใดถ้าไม่ถูกใจก็จะไม่ทาตามแม้ถูกต้องทาไมถูกใจก็จะไม่ทำตามอันนี้ต้องแก้ไขจึงบอรกระหมูคณะได้ไม่นานพระอาจารย์ก็ต้องมีเทคนิคในการตักเตือนบ้าอเงินต้องเอาทั้งถูกใจและถูกต้องเอาถูกต้องก่อนแล้วถูกใจเอาเรื่องที่ถูกต้องมาปรุงให้ถูกใจ เพราะนั้นตัวลูกต้องปรับปรุงนะลูกนะแก้ไขตัวเองโดยการเป็นคนว่า ง, ง่ายอ่านน้ำทำตนเป็นปพิเศษซึ่งจะทยให้บุญที่เคยทำมาเนะี่ยได้โอกาสส่งผลในชีวิตลูกนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแลวจะทำให้ตัวลูกมีผลการปฏิบัติ ท, ทําได้ดีขึ้นกว่านี้มากมายนะจ๊ะแก้ได้เนะี่ยดื้อแก้โดยการไม่ดื้อแค่นั้นเนี่ย ดื้อดีไม่เป็นไรแต่อย่าดื้อดึงหรือดื้อด้านอย่างนี้นะจ๊ะลูกเราอดทนอะไรได้ทุกอย่างแต่ทนคําสั่งสอนไม่ได้แปลกคําสั่งสอนซึ่งเขารักและปรารถนาดีด้วยรักและห่วงใยจึงเตือนแต่แปลกทนแดดทนร้อนทนหนาวทนลํนนนนละมากตรากทําะไรทนได้ทนอดทนอะไรได้นะั้น แต่ทนต่อการสั่งสอนทนไม่ได้ทั้งๆมันไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรเลยเอเมนจ์แล้วก็ไม่ได้หิวไม่ได้อะไรเลยแค่เราฟังก่อนรับฟังรับจําแล้วก็รับมาคิดพินิจพิจารณาไตรตรองในสติปัญญาด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าคําเตือนนั้นนะมันไม่เป็นจริง อย่างนั้นเราก็าเฉยๆให้อภัยไม่ผูกโกรธแต่ถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านเตือนหรือใครเตือนแล้วก็แก้ไขซะแล้วก็ตังขอบคุณเขาที่เขามาเป็นกัลยาณมิตรที่คุ้มทรัพย์ให้กับเราหรือเป็นผู้ให้แสงสว่างกับเราถ้าได้มากๆเดี๋ยวไปเกิดอยู่ในตระกูล ที่ลำบากในถิ่นธุร ก, กันดาร น, นะลูกนะต้องแก้นะลูกน ะ, ะชีวิตจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองผลการปฏิบัติธรรมก็จะดีเราพิธีบวชรุ่นเดียวกันมาพุทธดันดท์ีผ่ผานมาก็เป็นตาแห่งพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ได้ทําำสถิตเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆเอาตัวรอดกล่าวดูสิบุรีได้ได้ลงมาสร้างบรมิสสองรอบจ้า สมัจโบัาที่ท่านรับพระราชดูแล อ, อ, อบรมบุคลากรรุ่นใหม่ก็ถือว่าเป็นการรับบุญที่หุู่คณะมอบหมายให้เพื่อการสร้างบุญบารมีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วกให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติตตามติดไปดูสิบรีวงบญวิเศษเขตบรมโโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสติสั้นๆเจ